ถ้าอย่างอ拉ระดาบทเนี่ยเขาเข้าใจยังไงเขาเข้าใจว่าต่อไปเนี่ยเราจะเป็นเนวสัอออะนะอะ阿าระดาบทนะ阿าระดาบทเนี่ยอากินใช่ไหมอุทกะดาบทเนี่ยเป็นเนวสัญญาณาสัญญาญตนะก็คือกลุ่มที่ถิเหล่านี้เห็นไหมคือกลุ่มกลุ่มลัทธิทั้งหลายแหละในทั้งในสมัยพุทธกาลก็ตามในสมัยนี้ก็ตามก็คือชั้นแรกก่อนทุกคนจะมีขันห้าเอาก่อนนะ พอมีขันห้าขึ้นพอมีขันห้าขึ้นอะไรเกิดตันหามานะหรือทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในขันห้าเดียนี้กลุ่มที่โดยเฉพาะกลุ่มทิฏฐิที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยึดขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นพอยึดขันห้าก็อวิชาก็เกิดมโนเพราะอะไรเพราะไม่แทงตลอดอริยสัจในสิ่งเหล่านี้เลยเมื่อไม่แทงตลอดอริยสัจทิฏฐิก็เกิดพอทิฏฐิเกิดก็ทํากรรมมาเนะ มโนนี่คือกรร ม, มวิญญาณตัวทิฐิที่เขาจะกำหนดว่าเขาจะเป็นอะไรเนี่ยเขาดูจากกรร ม, มวิญญาณเช่นว่าเข้ามาหากุศลนแปดเกิดมากหรือมหคตะกรุสุนหนึ่งถึงเก้าเนี่ยนะเขาก็จะไล่ไปว่าเขาจะอยู่ในฐานะไหนเนี่ยนะเขาก็พอจะรู้อะแต่ที่นั่นคือนิพพานของเขาเนี่ยนะไปจุดอันนั้นคือจุดแห่งความดับทุกข์ของเขาเขาก็จะคิดแบบนี้ หรือบางกลุ่มก็บอกว่ามันต้องวนมาอย่างนี้แหละ ม, มันเที่ยงนนะมันไม่มีศูนย์หรอกนั่นแหละทีนี้ส่วนที่เป็นอย่างยกตัวอย่างอุทกาดาบทเนี่ยนะก็ได้เนวะสัญญานาสัญญายตนะซึ่งตายไปคืนเดียวเนะี่ยสมมติว่าพระพุทธเจ้าพิจารณาเนี่ยวันนี้เพิ่งตายไปเมื่อคืนเนี่ยมันก็บอกว่าอดเลย ทั้งๆ ท, ที่อลารลดาบทเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเกิดระดับนี้เขาถือว่าเป็นนิพพานของเขาเนี่ยทีนี้ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะไปสอนอลารละดาบทเนี่ยนะหรืออุธกะดาบทจะไปสอนอะไรเนี่ยนะจะไปสอนว่าโดยเฉพาะเช่นนะยกตัวอย่างเช่นมหคตาทั้งหลายที่เป็นตัวนำเกิดเหล่านี้เป็นอะไรเป็นเป็นภพ พ่อไอการปฏิสนธิหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เรียกว่าชาตินะชาติเหล่านี้มาจากพบพบมาจากไหนนะตรงนี้ยกอวิชาขึ้นมาอันเดียวนะก็คือมาจากตันหาอุปาทานเนี่ยจึงทํากรรมอันนี้ตันหาอุปาทานกรรมก็มาจากไหนก็มาจากทวานต่างๆไอทวานต่างๆก็โดยรวมๆแล้วก็มาจากยึดถือด้วยอํานาจของทิฏฐิใน ขันท่าเนี่ยนะพระองค์ก็จะแสดงให้เห็นว่าทั้งหมดนี้คืออีทางทุกขังอริยสัจจ์เนี่ยนะทั้งหมดนี้คือทุกขอริยสัจ ต, ตันหาความเพลดิดเพลินในสิ่งเหล่านี้นะฉันทราคะที่ติดข้องหรือทิฐิในสิ่งเหล่านี้เป็นสมุทัยอริยสัจการกําจัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเป็นนิโรธอริยสัจด้วยข้อปฏิบัติที่ไปกําหนดรู้ทุกละสมุทยัยทํานิโรธให้แจ้งอันนั้นเป็น นิโรศสัตว์เนี่ยนะถ้าเออขอไปเป็นมรรคสัตว์ทีนี้ถ้าอาราละดาบทหรืออุธะกาดาบทได้ฟังอริยสัตว์ก็จะไม่น้อมจิตไปเพื่อปฏิสนธิในที่นี้เนี่ยนะซึ่งเขาถือว่านี้ผ่านก็น้อมจิตไปเพื่ออะไรก็เพื่อความไม่ถือมั่นในอุปาทานขันหน้า น, นะคราวง่ายๆวัดสูตรเนี่ยแสดงถึงว่าทิฏฐิทำให้เกิดได้ยังไงทิฏฐินาเกิดนะ ตัวศีรษะศีรษะของวตตะเนี่ยมีอยู่สามตัวเนี่ยนะศีรษะนี่แปลว่าประธานนะเช่นสังสาระจักมันจะมีศีรษะถ้าทเเหมือนรถไฟอ่ะรถไฟมันก็มีหัวขบวนนะมีอยู่3สสามหัวหลักๆหัวแรกคือตันหาตัวที่สองอวิชชาตัวที่สามทิฏฐิเนี่ยนะของใครจะหนักไปทางไหนก็พิจารณาเอาเนี่ยนะ เนี่ยหัวขบวนมีอยู่สามหัวนี่แหละนะครับก็ถ้าตันหาก็สแสวงหากามมากๆแล้วนะครับกลุ่มนะนะั้นแหละถ้าทิฏฐิก็คือโหคิดแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องวิญญาณทั้งหลายแหลนะนะั่นแหะถ้าอาวิชชา ก็ทั้งปัญหาทั้งอวิชชาเอ่อทั้งที่ทีนั่นแหละคืออวิชชาทั้งนั้นแหละเมื่อคืนนี้ผมแสดงวิธีหักซี่กรรมของไอ้จับดวนี้แล้วครับ อ, อ๋อหักไปเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วสาธุ <c oughs> ออกมาแสดงวิธีหักนหน่อยเอาใครนะมาเป็นไก่ดีที่ผมขอถามต่อได้นะครับ ห่วงมากกับเรื่องนี้ซื้อเวลาเลยนะห้านาทีในคุณมึนเมีมวาคงมีซื้อเวลาหมดเลยนะห้านาทีท้ายหนึ่งที่อารูปพรมเลยแล้วไปคุยกันยังไงไปสื่อกันยังไงรู้เรื่อง สัพพัญยูนี่ก็พระพุทธเจ้าเวลาเทศไม่ใช่พระองค์นั่งนึกแล้วเขาจะรู้เรื่องไหมต้องพูดออกไปเป็นเสียงเรียกว่าธรรมเทศนานะก็ใช้เสียงเป็นหลักเมื่อใช้เสียงเนี่ยอรูปประพบไม่มีหูพอที่จะฟังเสียงคือการจะถ่ายทอดจากอีกคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งเนยต้องอาศัยวัตถุเนี่ยนะเช่นอาศัยเช่นไม่สีก็เสียงเนี่ยสองอย่างเนี่ยนะแต่ว่าคําสอนนี่อาศัยสีเป็นอาศัยเสียงเป็นหลัก ถ้าไม่สามารถที่จะรับเสียงคือไม่สามารถที่จะแปลความหมายสื่อกันอย่างนี้ได้ก็จบเลยก็คุยกันได้ไหมล่ะทางใจไม่ได้ไอที่เขาคุยนัทางใจอะไรทางใจอันนั้นก็เป็นการเสียงนะติดต่อกันด้วยเสียงแล้วทีนี้ในพบนั้นก็ไม่ได้มารับรู้ไออารมณ์แบบนี้ละไม่ได้รู้ละ แต่ก็มีพวกที่เป็นผ้าอริยะอยู่แล้วนะที่ไปเกิดในรูปประพรมเนี่ยจึงก็จะปฏิบัติต่อได้แล้วเพราะเข้าใจข้อปฏิบัติอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เป็นผ้าอริยะก็ไปเกิดในรูปประพรมถามว่าดีไหมโอ้เทียบกับอบายเนี่ยดีมากเนี่ยไ ชั้นหนึ่งเลยแหละโหแปดหมื่นสี่พันกลับโดยที่ไม่ไม่ทุกอะไรเลยนะกลับจากนรกสู่นรกเปรตบ้างมนุษย์บ้างสุกทุกข์คล้เคล้ากันไป8ปดหม่นสี่พันกลับเหมือนกันเนี่เอาอะไรมาจะเลือกเอาอน <house> ุนแหละรับรับปรตโตโขสระไม่ได้ทีนี้โยนิโสมนัิการเนี่ยถ้าไม่บรรลุไปก่อนก็ไม่ได้คือคือ ผู้ผู้ที่จะตรัสรู้เองเนี่ยมีอยู่สองท่านคือพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าซึ่งจะตรัสรู้เฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นนะสูตรที่สองอนะพูดถึงขันปัญจขันสูตรปัญจขันสูตรนี้ก็พูดถึงขันห้า แล้วก็อุปาทานขันท่านี้มาดูโสนะสูตรเลยนะโสนะสูตรนี้จะทำให้เห็นข้อปฏิบัติด้วยในการพิจารณาขันท่านะว่าอุบาสกสมัยก่อนนี้เขาก็พิจารณาอะไรลึกซึ้งเหมือนกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวลวันกลันทกะนิวาปะสถานกรุงราชครึกนะนะจำได้นะคุณนภ า, าที่หลวงพ่อพาเวียนเทียนตรงนั้นไนงะ ที่สระน้ำตรงนั้นเลยวัดนั้นเลยครั้งนั้นแหละครหาบดีบุตรชื่อว่าโสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับครหบดีบุตรชื่อว่าโสนะว่าดูก่อนโสนะก็สมณะหรือพรามณ์เราได้เราหนึง่งย่อมพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขา พิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้เสมอเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้เลวกว่าเขาด้วยรูปอันไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาที่เป็นดังนี้มิใช่อื่นไกลนอกจากการไม่เห็นตามความเป็นจริงนะพูดถึงมานะนะใครที่จะเปรียบเทียบว่าตัวเองดีกว่าเขาเสมอเขาเลวกว่าเขานี่เอาอะไรมาเปรียบเอารูปใช่ไหมเอารูปประคันนะนะสัตรงนี้คำว่ารูปประคัน เช่นตาคนโน้นอ่ะตาเขาเห็นชัดกว่าเรานะคนโน้นก็เห็นพอๆกับเราตัวนั้เห็นสู้เราไม่ได้อย่างไงนะหรือถ้าสีก็บอกคนโน้นสวยกว่าเราคนโน้นสวยเท่ากับเราคนนั้นสวยน้อยกว่าเราเนี่ยนะก็จะเอาเรื่องรูปนี่แหละมาเปรียบกันเนี่ยนะคนโน้นสูงกว่าเราคนนั้นต่ํากว่าเราคนนั้นเสมอกับเราเนี่ยก็อาศัยขันรูปประขันนี่แหละก็นอกจากไม่เห็นความจริงของรูปประขันนะก็เลยเอารูปประขันนั่นแหละมามาเปรียบเทียบ หรือว่าอาศัยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี่นะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ม, มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาที่เป็นดังนี้ไม่ใช่อื่นไกลนอกจากการไม่เห็นตามความเป็นจริงนี่นะนะก็มานะนะที่มานะเกิดเปรียบเทียบกับใครนะก็อาศัยขันหนะ้านั่นแหละมาเปรียบนี่นะนะแต่ว่าขันห้าที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งการเปรียบเทียบนะต้องเป็น ปิยรูปสาตรูปนะเคยกล่าวไปแล้ว <c oughs> ปิยาแปลว่าน่ารักเนี่ยนะสาตาแปลว่าหน้าหน้าพอใจรูปแปลว่าสภาวะเนี่ยนะสภาวะที่น่าปราถนาหน้าพอใจเนี่ยนะเช่นอ่นะยกตัวอย่างว่าความเป็นมนุษย์ ก็ก็ถือว่าเป็นสุขติภพอ่ะ น, นะถือว่าเป็นของดีอยู่แล้วใช่มอะนะอันนี้ถือว่าดีถือว่าเอาของดีนะปีรูปสาตรูปแปลว่าแปลสับเราเราง่ายๆว่าของดีๆอ่ะเนี่ยทีนี้ของดีๆมันก็เังไงเช่นดีดีกว่าดีที่สุดเนี่ยนะ แบบดีที่สุดเลยนะมันก็มีสามสามเกรดด้วยกันนะแบบระดับดีดีกว่าดีที่สุดของเรามันดีระดับไหนก็ดีนะอ่นะถ้าถ้าดีระดับสมมติว่าดีแต่งบแล้วลนะ่ะสมมติถ้าดีที่สุดเนี่ยนะก็ต้องสำคัญว่าคนอื่นนี่เร็วกว่าเนี่ยนะก็ก็ถือกันอย่างนี้นะ ถ้าอย่างดีธรรมดานี่เขา เ, เ, เรียกว่าเรวอันนี้เขาเรียกว่าเสมออย่างนี้เรียกว่าดีกว่าเนี่ยนะแต่ว่าเอาของดีๆ <c oughs> นะมาเปรียบกันอย่างนี้ก็เปรียบเช่นนะว่าเราเนี่ยดีกว่ากว่าสองพวกหรือว่าเราเนี่ ย, เ, ยเรวกว่าพวกอื่นแต่ก็คืออยู่ในก็เอาของดี <c oughs> ๆ, ๆนะีๆ่แหละมาเปรียบกันเ น, นี่ยนะนั้นขันห้า เวลามานะจะเกิดขึ้นก็อาศัยอย่างนี้นะเพราะิงเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของมานะที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่เห็นขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะที่แปรโปรนไปเป็นธรรมดาเนี่ยตามความเป็นจริงรรว่ก็สายนั้นแหละนะเนี่ แต่ถ้าโดยทั่วๆไปนะส่วนมากจะเป็นสายตันหานะครับคือจะเลือกถ้าเป็นสมมตินคนอื่นกับคนอื่นนะให้เราชอบอันนี้คนนี้มากกว่าคนนั้นอะไรก็เป็นเรื่องของตันหาวินิจฉัยซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเขากับเราเนี่ยนะใครมันจะดีกว่ากันถ้าลักษณะเนี่ยมานะชัดแต่ถ้ากับอีกคนกับอีกคนนี่อะไรดีกว่านี่ตันหาวินิจฉัยของเราเองว่า เ, เราจะเอาอยัางไงนะ แต่ถ้าบอกว่าสองคนนั้นนไอ้คนเนี่ยเป็นฝ่ายเราไอ้คนนั้นฝ่ายเขาฝ่ายเราเนี่ยดีกว่ า, าอะไรเงี้ยมานะหรือเราดีกว่าทั้งสองคนโะอ้ไม่ธรรมดานะก็ก็ในธรรมะก็บอกว่ามานะนี่ก็ถือว่าหนักแล้วใช่ไหมบอกว่ายังมีอติมานะอกนีกไงถ้า ม, มานะธรรมดาก็เช่นเราถ้าเราเนี่ยดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขากลุ่มนี้มานะ ถ้าอาติมานะนะบอกพวกนั้นมันเลวหมดเลยนะะดูหมิ่นคนอื่นเลยนะถ้ากลุ่มอติมานะจะขนาดนั้นเลย <c oughs> ดูก่อนโซนะก็สมณะหรือพรามเหลา่าใดเหล่าหนึ่งไม่พิจารณาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขาไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้เสมอเขาหรือไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้เลวกว่าเขา โด้วยรูปอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาที่เป็นดังนี้ไม่ใช่อื่นไกลนอกจากการเห็นธรรมะตามความเป็นจริงคือเมื่อเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะก็จะเอาขันห้าไปเปรียบเทียบทำอะไรเนี่ยนะพอรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ไม่เกิดมานะไม่เอามานะไปไปเปรียบเทียบอนะบอกว่าโรคมะเร็งของฉันดีกว่าโรคมะเร็งของคนนั้นอย่างนี้นะเอาเปรียบไหม เออดีนะเขาเนี่ยประหารเร็วกว่าเราตั้งสองนาทีอย่างนะเราดีกว่าเราเลยตายไปอีกตั้งสองนาทีอย่างเงี้ยนะเขาเนี่ยสู้เราไม่ได้เขาถอนฝันบนแต่เราเนี่ยถอนฝันล่างอย่างนั้นก็ไม่มานะพอๆกันหมดแหละเ <c oughs> พราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นตามความเป็นจริงว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคจ้าตรถามว่าดูก่อนโส น, นะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ย น, นะบุตรครหบดีชื่อว่าโสะฑูนว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นอัตตาของเรานนะ ควรไหมที่จะตามมีตำหามานะทิ่ถีในขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนั้นเนี่ยควรหรือเปล่าวหมืันนนีของใครเคยไปซ้อมคิดทบทวนแบบนี้หรือเปล่านะเอาเนี่ยพิจารณารูปทั้งหมดของภายในเราก็ได้ก่อนตั้งแล้วก็ระลึกถึงพุทธพจน์อันนี้นะว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนนเอาพระพุทธเจ้าตรัสกับเราไหมหรือว่าเอาแบบพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุแล้วเราโน้มเข้ามาพิจารณาตามเหมอนะ ว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงพระเจ้าค่าเนี่ยนะก็คือพิจารณาชีวิตของเราเลยนะคือพยายามซักซ้อมหรือพยายามทําจิตเนี่ยโอนตามคําสอนเนี่ยนะแล้วก็เราไม่เห็นว่ามันมันเที่ยงนี่คือถ้าแข็งทื่อขนาดนั้นก็ก็ก็แนะนําไม่ได้นะวารูปก็วาดไม่ได้อยู่แล้วอย่างงี้มัน ก, ก็ต้องโอนตามนะพยายามที่จะน้อมจิตคิดตามว่าเอ๊ะรูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงให้จิตเนี่ยมันยอมรับหรือปลูกฝังอุปนิสัย หรือมีอัธยาศัยที่จะยอมรับว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงนะไอ้รูปที่ไม่เที่ยงรูปนั่นแหละเป็นทุกข์รูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่ควรมีตัณหามานะทิฏฐิในรูปอันนี้เลยเนี่ยนะ ก, ก็ควรที่จะน้อมฝึกคิดแบบนี้ให้บ่อยๆมากๆเนี่ยนะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะแต่ถ้าจะเอาแบบละเอียดเลยนะ เอาแบบพิจารณาขันท่าแบบละเอียดเพิ่มขึ้นอีกนะเช่นจักสุกับรูปที่เห็นเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้เพราะนี้เป็นรูปประคันใช่ไหมไม่เที่ยงประเจ้าค่านะก็คิดตามสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าจะตามเห็นรูปอันนี้ว่านี้เรานะนี้ของเรานี้อัตราของเราไม่ค้นประเจ้าว่าเหมือนกันแล้วจิตเห็นน่ะนั่นนะจากคูวิญญาณที่เห็นเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง ก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะต้องอาศัยจักรคูเป็นวัตถุอาศัยรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะอาศัยแสงสว่างเป็นปัจจัยอาศัยมนุมนิการอีกแล้วจิตจักรคูวิญญาณชาติวิบากเกิดจากปัจจัยจักรคูวิญญาณอันนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยนะเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านี้เรานี้ของเรานี้อัตตาของเราก็ไม่ควรน่ยนะ ก็ไล่อย่างนี้ทุกทุทวารไปนะก็ซักซ้อมไล่อย่างเนี้ยให้ชํานาญเลยในทวารทั้งหก น, นะก็ว่างๆเจริญนิพพานาอะไรไม่ได้ก็จําสูตรนี้ไปคิดอย่างนี้ก็ได้นะซึ่งก็ถ้าถ้าฝึกคิดนะฝึกคิดอย่างนี้ชํานาญสักสามสี่พันครั้งเนี่ยนะหรือสักหมื่นแสนสามสองสครั้งนี่ก็ดีเอาเปิดทีวีนี่เรากดรีโมทไม่รู้กี่สิครั้งก็กดได้นะกดซ้ําๆอยู่นั่นแหละช่องนะมีอะไรบ้างประเทศไทยก็ช่องช่องหนึ่งไนงะ ช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าก็ไล่ๆ อ, อยู่เท่าเนี้ยกดกลับไปกลับมากลับมากลับไปนะก็ะกดซ้ําๆเห็นเบื่อเลยนะตรงนี้ก็เหมือนกันนึเจริญคําสอนเนี่ยก็มาซ้อมอย่างเงี้ยนะในทวารทั้งหกคือพิจารณาขันห้าในทวารหกแล้วก็ซ้อมคิดซ้อมพิจารณาแบบเนี้ยทุกทวารเนี่ยนะพอซ้อมอย่างเงี้ยทุกทวารชํานาญดีแล้วนะก็พิจารณาต่อไปนะไม่ใช่เท่านี้พอพระองค์บอกว่า ดูก่อโส น, นะเพราะเหตุนั้นแลท่านเพิ่งท่านเพิงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอันนี้วิปัสนาหรือปัญญาสมโุปัสนาก็สมโุปัสนาเหมือนกันแต่เป็นวิปัสนานะตามเห็นขันห้าแต่เห็นด้วยปัญญาไม่ใช่ตามเห็นด้วยทิฏฐิเนี่ยนะว่าท่านพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบัน ภายในหรือภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้นะรูปทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรานะก็นั่นไม่ใช่ของเราก็คือรูปทั้งหมดนั่นเป็นทุกนั่นไม่เราไม่เป็นนั่นคือรูปทั้งหมดไม่เที่ยงนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอันนั้นก็เป็นอนตัตตาเพราะรูปไม่ว่ารูปนั้นจะอยู่อดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลว ป, ประณีตใกล้ไกลอย่างไรก็ตาม รูปเหล่านั้นทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดเนี่ย น, นะแต่ว่าอันนี้ก็พยายามอย่างเช่นรูปที่เป็นอดีตก็คือ น, นึกถึงชีวิตในอดีตใช่ไหมชีวิตในอดีตอดีตภ่พบต่างๆหรือว่ารูปทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตหรือรูปที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันรูปภายในตัวเองรูปภายนอกคือรูปคนอื่นรูปใกล้แบบ แบบที่เห็นเห็นหรือรูปไกลเนี่ยนะหรือใกล้ไกลแบบรูปสุขุมมารูปกับโอลาริอกับรูปก็อีกในหนึ่งแต่ว่าไอ้ไกลแบบใกล้แบบนี้ก็มีก็พิจารณารูปเหล่านั้นทั้งหมดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาหรือใช้อีกศัพสำนึงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราที่จริงความหมายเดียวกันคือเข้าไปเห็นว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ก็เพื่อละตันหามานะทิฏฐิเนี่ยนะถ้าถ้าตามเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็เพื่อปฏิเสธกิเลสว่าไม่ควรเข้าไปมีกิเลสในในรูปเหล่านั้นเลยเนี่ยนะเพราะไรเพราะรูปเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะนนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันนะก็ฝึกซ้อมมันนะเช่นขันห้าอย่างเช่นการเห็นเนี่ยก็คือขันห้าประชุมกันใช่ไหมเรียกว่าการการเห็นก็ขันอันนี้ที่เป็นอดีต ขันอันนี้ที่เป็นอนาคตขันอันนี้ที่เป็นปัจจุบันอะนะเราเห็นคนอื่นก็ก็เห็นเนี่ยนะภายในภายนอกอะนะเห็นหยาบหรือเห็นละเอียดเนี่ยนะเห็นเลวหรือเห็นประณีตเห็นแบบไกลหรือเห็นใกล้อ่ทั้งหมดนั้นก็คือก็คือขันอะนะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยนะก็หมั่นไปซ้อมบ้างนะเพราะว่าจะพาซ้อมหมดคงไม่ไหวมั้ง โรคกับพ่อมันจะกำเริบอีกดูก่อนโซนะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปนะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเพราะฉะนั้นก็พิจารณาทั้งหมดมันก็ขันห้ามันก็น่าเบื่อหน่ายทั้งหมดใช่ไหมเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดอันนะ ถ้าเบื่อหน่ายนิ่พิทาอันนั้นก็เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคกันนะเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นมรรคก็เป็นปัจจัยแก่ผลเมื่อจิตหลุดพ้นก็มีปจัจเวกขณะยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วเนี่ยนะพรหมจรรย์เนี่ยคือมรรคพรหมจรรย์เนี่ยอยู่จบแล้วกิจสิบหกที่ควรทำเนี่ยทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี เอาถามว่าทำไมท่านจึงรู้ว่าชาติของท่านสิ้นแล้วนะทำไมท่านจึงรู้ว่าปฏิสนธิต่อไปไม่ได้มีอีกแล้วนะเพราะท่านรู้ว่ากรรมที่เป็นเหตุนำปฏิสนธินี้สิ้นแล้วเอาทำไมกรรมจึงสิ้นเพราะฉันทราคาในขันห้าของท่านสิ้นแล้วเพราะถ้ารู้ว่าฉันทราคาในในขันห้าสิ้นแล้วกรรมถึงมีอยู่ก็จะกลายเป็น กิริยาคือไม่สามารถให้นำเกิดได้แล้วเพราะฉะนั้นเพราะากิเลสที่เป็นเหตุแห่งการนำเกิดของท่านสิ้นแล้วก็รู้ว่าเออชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเลยเนี่ยนะคุณบุญมีเอาไว้ถามวันพรุ่งนี้ <c oughs> อีกสูตรหนึ่งนะที่โซนสูตรที่สองก็ในยะเดียวกันกล่าวว่ า, านพระวิหารเวลุวันเหมือนกัน ครั้งนั้นแหละครึหาบดีบุตรชื่อว่าโซนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับครึหาบดีบุตรชื่อว่าโซนะว่าดูก่อนโซนะก็สมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่ทราบชัดรูปไม่ทราบชัดเหตุเกิดแห่งรูปคือรูปสมูทัยเนี่ยนะไม่ทราบชัดความดับแห่งรูปไม่ทราบชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูป คือสูตรก่อนนะจะกล่าวถึงมานะจะเกิดอาศัยขันห้าแล้วพิจารณาขันห้าโดยเที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตาเนี่ยนะทั้งพิจารณาขันห้าทั้งหมดโดยสิบเอ็การพอมาสูตรนี้ให้ประมวลขันห้าลงอริยสัจนะคือรูปรูปสมูทัยรูปนิโรรูปนิโรธคามินีปฏิปทานั่นเองนะคืออันนี้สมณะพราหมณ์ที่ไม่รู้ชัดรูปรูปสมูทัยรูปนิโรรูปนิโรธคามินีปฏิปทา หรือสมณพราหมณ์ที่ไม่รู้ชัดเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะคือไม่ทราบชัดวิญญาณไม่ทราบชัดเหตุเกิดวิญญาณไม่ทราบชัดความดับวิญญาณไม่ทราบชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณอย่างที่เราคุ้นเคยกันว่าอนะวิญญาณวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคามมินีปฏิปทาเนี่ยนะ ดูก่อนโซนะสมณะหรือพราหม์เหล่านี้เราไม่ยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือว่าเป็นพราหมในหมู่พราหมอันหนึ่งท่านเหล่านั้นหาทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ไหมคือหมายความว่าถ้าไม่แทงตลอดอ น, นรูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเนี่ยนะ ก็ไม่นับว่าสมณะในหมู่สมณะเพราะว่าสมณะเนี่ยสมณะหนึ่งสองสามสี่หมายถึงอะไรหมายถึงสมณะที่ได้นะสมณะที่หนึ่งสสามสี่สมณะที่หนึ่งหมายถึงพระโสดาบันสมณะที่สองหมายถึงพระสกทาคามิสมณะที่สหมายถึงพระอนาคามีสมณะที่สี่หมายถึงพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถ้าไม่แทงตลอดนะขันห้าเช่นรูปรูปสมูทัยรูปนิโรรูปนิโรธ้าคาหมีปฏิปทา ก็ไม่ได้เข้าถึงความเป็นสมณะหรือไม่ได้เข้าถึงความเป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีปัญญาที่รู้ยิ่งหรือเพราะไม่แทงตลอดอริยสัจทั่วๆไปนี้เราจะคุ้นเคยกันมากว่าทุกทุกสมูทยัยทุ ก, ท ก, ททกทนิโรธ ท, ทุกทนิโรธค า, า ม, มินีปฏิปทาจริงๆคาว่าทุกทุกสมูทัยทุกเทนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือตัวอะไรก็คือขันธ์ห้าอันนี้ลองซอยเข้ามาเป็น พูดอริยศาสตรแบบ์แบบแบบห้าใช่ไหมปัญหาผู้ที่ไม่แทงตลอดอริยศาสตร์ในขันห้าก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะไม่ชื่อว่าเป็นพราหมเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีปัญญาที่รู้ยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยดูก่อนโสนะสมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทราบชัดรูปทราบชัดเหตุเกิดแห่งรูปทราบชัดความดับรูปทราบชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูป ก็คือแทงตลอดรูปรูปสมูทัยรูปนิโรรูปนิโรธักคำมินีปฏิปทานะเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เหมือนกันดูก่อนโซนะสมณะหรือพรามเหล่านี้แลเรายกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและว่าเป็นพรามในหมู่พรามอันหนึ่งท่านเหล่านั้นย่อมทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นั่นก็ สูนี้ก็แสดงทั้งวัตตะและวิวัตตะเนี่ยนะตอนแรกก็กล่าวถึงเนะเน้นเน้นที่ไหนถ้าไม่ทราบชัดนี่ก็เน้นอะไรเน้นอวิชชาที่ไม่รู้อริยสัจกับผู้ที่มีวิชารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นเองเนี่ยน ะ, ะก็แบบวัตตะและวิวัตตะเนี่ยนะท่านผู้ที่พิจารณานะอย่างย้อนให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า อย่างสูตรโสนะสูตรที่หนึ่งเนี่ยกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงว่าผู้ที่มีมานะก็มีมานะในขันห้าเนี่ยนะพงศ์ก็ซอมไม่เห็นให้พิจารณาว่าขันห้าไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนาตตาอ่า น, นะเพราะฉะนั้นไม่ควรเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตาของเราแล้วไม่ใช่หยุดอยู่เท่านี้นะให้พิจารณาว่าขันห้าทั้งหมดอะ ทั้งที่เป็นอดีตอ ve, นาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวป ร, ประณีตใกล้ไกลก็ให้เห็นทั้งหมดเหล่านั้นว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราอันผู้ที่ฟังอย่างนี้ย่ mis, ยอมเบื่อนายเมื่ อ, อเบื่อนายย่อมคลายกําหนัดทีนี้ถ้าเบื่อนายคลายกําหนัดแล้วก็หลุดพ้นอ่ะหลุดพ้นยังไงสูตรหลังมาก็บอกว่าหลุดพ้นแบบนี้นะคือหลุดพ้นแบบรู้ว่านี้รูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธทัามินีปฏิปทา ไม่ใช่พอคิดคิดไปแล้วก็ว่างเลยนะเลิกคิดเลยจบเลยอย่างงี้นะนั่งโลง่โลงๆอ่ะนะพอได้ไม่เที่ยงนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราของเราแล้วก็นั่งซบเบื่ออยู่นั่นแนหะอันนั้นไม่ใช่แน่เลยนะนั้นไม่มีคําสอนอะไรให้นั่งอยู่อุเบกขาไม่ฉลาดอะไรแบบนั้นหรอกอย่างเงี้ยเพราะงก็ถ้าบอกว่าที่ว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็เห็นแทงตลอดวันนี้รูป นี่รูปสมุไทยนี่รูปนี่โรธนี่รูปนี่โรธถ้าคามินีปฏิปทานะอันนี้กันกันไว้เผื่อไปนั่งเซิเร์ฟแบบมาเคยนั่งมาก่อน่ฉลาดะไยเลยหมดเวลาไปอีกวันหนึ่ง